1.1 พระพุทธเจ้าฝากศาสนาเอาไว้กับพุทธบริษัทวงเล็บเปิด22ตุลาคม2549ในวงเล็บสองวงเล็บปิดคำสอนของพระพุทธเจ้ายัางอยู่นะยังไม่ได้สูญหายในภาคปริยัติก็ยังทรงเอาไว้ได้ผู้ปฏิบัติก็ยังมีไม่ขาดสายแต่น้อยลงน้อยลงนะ ครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ร้อยหล่อลงไปเรื่อยๆแล้วรุ่นหลังๆเติบโตขึ้นมาไม่ค่อยทันร้อยหล่อไปสิ่งยั่วยวนสิ่งหลอกลวงมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นจิตใจอ่อนแอมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นตัวศาสนาพุทธจริงๆยังไม่หายไปแต่เราต้องลงมือตั้งแต่วันนี้ต้องลงมือเดี๋ยวนี้แล้วช้ากว่า น, นี้ไม่ได้แล้วนะช้ากว่า น, นี้ไม่ทันแล้วศาสนาพุทธจะอยู่ในเมืองไทยอีกสักกี่ปีใครจะรู้ ต่อไปมันจะไปอยู่ในประเทศไหนก็ไม so, ่ร um so, ู้ฉะนั้นพวกเราเวลาทําบุญแล้วอยากเจอศาสนาพุทธอย่าอธิษฐานว่าขอให้เกิดในเมืองไทยอย่าอธิษฐานอย่างนั้นนะถ้าอธิษฐานก็ขอให้เจอศาสนาพุทธขอให้ได้เจอสัมมาทิฐิเกิดที่ไหนก็ขอให้อยู่ในแวดวงสัมมาทิฐิให้อธิษฐานอย่างนั้นอย่าอธิษฐานว่าเกิดชาติใดก็ขอให้อยู่เมืองไทยนะเพราะไม่แน่ว่าเมืองไทยจะมีศาสนาพุทธพวกเราช้าพุทธจริงๆนะ ครูบาอาจารย์เคยบอกหลวงพ่อมานานแล้วยี่สิบสาสิปีมาแล้วบอกคนทั้งโลกมีหลายพันล้านคนที่รู้จักศาสนาพุทธไม่นิดเดียวชาวพุทธที่ว่าไม่นิดเดียวนี่พวกที่สนใจเข้าวัดเข้าศึกษาธรรมะมีไม่มากพวกเข้าวัดก็น้อยแล้วนะ ส่วนใหญ่ที่เข้าวัดก็ไม่ใช่เพื่อศึกษาธรรมะเข้าไปทาบุญบ้างไปหาหวยบ้างหวยนี่เยอะนะแต่วัดหลวงพ่อนี้จะไม่มีคนมาขอหวยมันเขตหมดเลยมาขอหวยแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าหลวงพ่อรู้หลวงพ่อจะไปซื้อเองเลยเออหลวงพ่อก็ยังจนๆอยู่อย่างนี้แสดงว่าให้หวยไม่แม่นนะนี่ชาวพุทธนะชาวพุทธในโลกก็มีน้อยอยู่แล้วพวกเข้าวัดก็น้อย ค้าวัดแล้วสนใจศึกษาธรรมะอย่างพวกเรานี่น้อยมากนะไม่ถึงร้อยละหนึ่งหรอกและศึกษาแล้วจะได้เรียนของจริงนี่ยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกนะจนกระทั่งเข้าถึงมรรคถึงผลนี่นับตัวได้แล้วฉะนั้นพวกเราแต่ละคนมีความสำคัญนะาศาสนาพุทธจะมาฝากเอาไว้กับหลวงพ่อไม่ได้จะมาฝากเอาไว้กับพระไม่ได้พระพุทธเจ้าฝากาศาสนาเอาไว้กับพุทธบริษัทเห็นไหมว่ามีบริษัทนะ แต่บริษัทเราใกล้เจ๊งแล้วประมาทไม่ได้เพราะอะไรเพราะพนักงานในบริษัทเราไม่สนใจกิจการของบริษัทนี่พวกเรายัางสนใจศึกษาธรรมะใช้ได้นะดีแล้วหลวงพ่อดีใจกับพวกเราธรรมะเก็บเอาไว้ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยใส่ตู้เอาไว้ก็ไม่ปลอดภัยนะสิ่งที่รองรับธรรมะได้ดีที่สุดคือใจของเราเองฉะนั้นศึกษาธรรมะจนธรรมะเข้ามาสู่ใจของเร า, าศาสนาพุทธยังไม่สูญ ตราบใดที่ธรรมะยังอยู่ในใจเราฉะนั้นพวกเราแต่ละคนมีความสำคัญศึกษาธรรมะเนี่ยนอกจากได้ประโยชน์พ้นทุก์ทันตาเห็นแล้วหลวงพ่อใช้คำว่าพ้นทุกทันตาเห็นนะฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆพอสติเกิดความทุกข์มันร่วงหายไปจริงๆคนทําได้มีเยอะแยะไม่เพียงแต่เราได้ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นเรายังได้รักษาสืบทอดศาสนาเอาไว้ด้วยฉะนั้นทุกคนมีความสำคัญเวลานี้สังคมมันเปลี่ยนเร็วมาก แต่เดิมเราเป็นสังคมเกษตรใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรามาเป็นสังคมอุตสาหกรรมสังคมเมืองสภาพแวดล้อมเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนศาสนาแต่เดิมอยู่มาอย่างสบายๆตอนนี้อยู่ไม่ได้ไม่สบายแล้วศาสนาแท้ๆอยู่ไม่ไหวหลายคนต้องไปอินทำกิจกรรมสังคมสงเคราะห์บ้างก็ยังดีนะยังพอมีที่ยืนอยู่ในสังคมบ้างมิฉะนั้นศาสนาพุทธหายไปเลยแต่จะดีที่สุดเลยถ้าพวกเราศึกษาธรรมะจนได้ธรรมะ คารวาสก็ทำได้นะหลวงพ่อยืนยันรารวาสก็เป็นพระอาริยาบุคคลได้ไม่ใช่เฉพาะพระเท่านั้นที่เป็นได้ถ้าคารวาสคนใดไม่ละเวน้นการเจริญสติปัฏฐานการมีสติรู้กายตามความเป็นจริงมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงมันรู้อยู่อย่างนี้หรอกวันหนึ่งจะได้เป็นพระอาริยะพระอาริยะเบื้องต้นพระโสดาบันคือผู้ละความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริง เรามารู้กายเรามารู้ใจวันหนึ่งเรารู้ว่ากายกับใจนี้เรายืมโลกเข้ามาใช้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงถาวร อ, อะไรเป็นของโลกยืมโลกมาใช้พอเข้าใจความจริงตรงนี้ว่าเราไม่มีแล้วนี่แหละพระโสดาบันนะเป็นผู้ไม่งอนเงี้นในศาสนาแล้วแต่ถ้ายังไม่ใช่พระโสดาบันศรัท ธ, ธาของเรายังเป็นศรัท ธ, ธาที่กลับกลอกได้จิตใจมันจะไม่เด็ดเดี่ยวหลวงพ่อนะโดยนิสัยของหลวงพ่อไม่ชอบยุ่งกับใครเลย วันหนึ่งวันหนึ่งหลวงพ่อจะอยู่เงียบๆ เ, เป็นนิสัยเลยนะแต่ทุกวันนี้ต้องฝืนใจมาคุยกับญาติโยมเยอะแยะเลยพระก็เยอะโยมก็เยอะนะมันฝืนธรรมดาฝืนปกติฝืนความเคยชินแต่มันจำเป็นต้องทำเพราะครูบาอาจารย์ใช้ให้ทำบอกให้มาช่วยกันหน่อยที่นี้พ่กกรามาช่วยหลวงพ่อด้วยนะวิธีช่วยหลวงพ่อนะเอาซีดีไปฟังฟังแล้วก็หัดดูจิตดูใจไปแล้วลวันหนึ่งจะพบว่า นั่นแหละเป็นวิธีช่วยตัวเอง